คนที่เหลือเนี่ยหาทางเจราจาช่วยตัวประกันโดยใช้สันติวิธีนะที่จริงเจราจามันก็สันติวิธีอยู่แล้วเนี่ยตั้งโจทย์นี้ให้นะว่าเนี่ยจะช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างไรด้วยการเจราจาให้โจทย์เสร็จผู้ก่อการร้ายนะซึ่งก็คือวิทยากรนั่แหละนะก็สุบุรีสถานที่ที่จัดนะอบรมเนี่ยมันเป็นห้องสวดมนต์นะเป็นวิหารที่เขาใช้สวดมนต์ ผู้กอ่อการร้ายหรือวิทยากรสูบบุหรนะีก็มีหลายคนประท้วงว่า น, นี่ว่าที่นี่มันเป็นที่สวดมน์นะสูบบุหรีไม่ได้มันมีกฎระเบียบอยู่ผู้กอ่อการร้ายก็บอกว่ากฎระเบียบอะไรผมไม่สนใจนะผมจะสูบบุหรีนี่คุณจะมาเจราจากับผมเรื่องสูบบุหรีหรือว่าจะเจราจาเรื่องตัวประกัน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 พระพุทธรูปนี่ก็เป็นที่เคารพสักการะนะแม้กระทั่งของชาวพุทธในอเมริกันพอเห็นแบบนี้ก็ไม่พอใจนะโวย ว, ยวายกันใหญ่วิทยากรก็บอกว่าเนี่ยตกลงคุณจะเจรจาไหมเรื่องช่วยเหลือตัวประกันนะก็มีคนก็ท้วงกันเนี่ยที่พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี่เราเคารพนะผู้ก่ก็กรักว่าผมไม่สนใจน ะ, นะผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคุณจะเจรจาหรือเปล่านะ ถ้าไม่เจรจะผมก็ได้กลับนะก็มีเสียงเออะโวยวายนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่พอใจก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพวกเรานี่เชิญคุณมานะเพื่อให้มามาจัดอบรมยังไงคุณก็ต้องเคารพสถานที่ของเราผู้ก่กากัรลาก็บอกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเคารพสถานที่ยังไงก็เดินไปที่มุมห้องแล้วปลดซิปแล้วก็ฉี่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 เป็นเพราะว่าส่งจิตออกนอกมากไปนะผู้ที่มาอบรมเนี่ยนะก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องใจว่าอยากจะใช้สันติวิธีนะแต่พอเห็นวิทยากรหรือผู้ก่อการร้ายนะเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยโกรธจิตมันส่งออกนอกลืมมาดูใจของตัวว่าตอนนั้นความโกรธกำลังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราไมได่ดูใจของเรานะปล่อยให้ความโกรธข่ม ง, งามเนี่ย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 เมื่อข้ามฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกแพะก็ต้องปล่อยแพทิ้งเอาไว้แล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าทำรรที่พระองค์สอนเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อยึดมั่นถือมัน่นนับปสาอะกับอกุศลธรรมนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะแม้กระทั่งอกุศลธรรมที่พระองค์สอนนี่ก็เปรียบเสมือนพวออนน่วงแพ้ไม่พึงยึดมั่นถือมัน่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะแต่ว่าถ้า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 ลูกเนี่ยไปชกต่อยเพื่อนในโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยดูถูกนะเด็กก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่จริงก็ไม่เด็กล้วเป็นวัยรุ่นก็เลยต่อยต่อยเพื่อนก็เลยถูกครูลงโทษนะพอพอ่อรู้เนี่ยนะก็ต่อว่าลูกว่าทําไมนะถึงใช้กําลังลูกก็บอกว่าพราะเขามาด่าผมนะด่าผมว่าไอ้หน้าตัวเมีย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 มันเท่ากับว่าเราเป็นคนขี้แพ้เราเป็นคนอ่อนแอเราก็หน้าตูดมีอย่างที่เขาว่ า, างจริงลูกเถียงพ่อเนะพ่อก็ช่างมีอารมณ์นะถียงไปถียงมาลูกก็บอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยคิดแบบนี้เช่นนะพ่อถึงกลายเป็นคนขี้แพนะ้เป็นคนอ่อนแอพูดอย่างนี้นี่พ่อทนไม่ได้นะตบหน้าลูกเลย จบหน้าลูกเพราะว่าลูกไม่เชื่อสันติวิธีนะเสร็จ แ, แล้วพ่อก็มา น, นึกได้โอ้เราไม่เราสอนลูกให้ใช้สันติวิธีนะแต่พอลูกไม่เชื่อเราก็โกรธพอเราโกรธแล้วเราก็เลยใช้ความรุนแรงกับลูกนะอันนี้ก็เพราะอะไรพเพราะว่าไปยึดมัน่นถือมาใ น, นสันติวิธีมากนะพอคนที่เราคนที่เรารับคนที่ใกล้ชิดเรานี่ยเขาไม่ใช้เขาไม่เชื่ออย่างที่เราคิด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 อัตวาทุปาทานการยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนหรือว่าศิลปตับศิลปตุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในศิลป์ก็คือรูปแบบวิธีการหรือว่ายึดมั่นในศีลว่าถ้ารักษาศีลดีจะบรรลุธรรมได้จะหมดทุกได้แล้วก็พอยุติมั่นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเกิดตัวกูของกูขึ้นมา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 เรามีน้โนมที่จะเกลียดเขาได้ง่ายนะแล้วพอเราเกลียดแล้วเนี่ยถ้าเกลียดมากๆมันก็กลายเป็นนะอยากจะตอบโต้อยากจะทํายเขามันก็เลยเกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาทันทีอย่าง น, นี้เราเห็นแบบสิ่งแบบนี้เยอะมากเนะีเวลามีการเอาผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าขมคืนหนะรือว่าเป็นฆาตกรเนี่ยมาทาแผน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 ผู้คนซึ่งก็อ้างว่าต้องการรักษาความถูกต้องเอาไว้ไม่ชอบที่เขาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ตัวเองนี่กลับทำเองนะไปกระทืบเขาตายเนี่ยหรือว่าไปทำร้าย ก, ก็จนบาดเจ็บเนี่ยมันจะเป็นความถูกต้องได้อย่างไรพอไปยึดมั่นความถูกต้องมากเห็นคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเช่นเป็นฆาตกรเป็นพ่อค้ายานะก็ไปทำรายเขาเนี่ย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 บอกว่าคนต่างๆก็พากันเขียนข้อความด่าผู้หญิงคนนั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีการตามหาไปถึงว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานที่ไหนก็บว่าไปทางานที่หมาทลายแห่งหนึ่ง mm. ก็มีผู้คนเป็นหมื่นเลยนะเขียนไปด่าไปกดดันให้อธิการบดีหมาทลาย น, น, นั้นเนี่ยนะไล่นัไลนะ่ไลผู้หญิงคนนั้นออก ไลเจ้านาที่คนนั้นออกสุดท้ายก็ต้องออกนะท่านั้นไม่พอนะก็ยังมีการไปตามหาว่าพ่อแม่คนเงาของผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วก็มีการส่งข้อความไปดา่านะด่าพ่อด่าแม่เขานะก็กลายเว่าผู้หญิงคนนี้เสียผู้เสียคนไปเลยเพียงแค่ว่าไม่ได้เก็บขี้นะที่หมามันถ่ายไว้จริงจริงสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้องนะมันผิด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 เขียนข้อความเนี่ยให้กับเพื่อนๆนะพอไปถึงเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปแอฟริกาใต้ช่วงที่ขึ้นนั่งอยู่บนเครื่องบิ น, เ, นเธอก็ไม่รู้นะว่าไอข้อความนั้นเนี่ยมันเล็ดรอดออกไปจากบวงของเพื่อนนะไปสู่คนใครต่อใครมากมายก็เลยมีคนเนี่ยเขียนไปดานะ่าเป็นมือนอเล่นนะพอไปถึงแอฟริกาใต้ปรากฏโอโ้ข้อความนี้ ของเธอมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็มีคนดา่ามีการขุดคุยว่าเนี่ยเธอทํางานที่บริษัทไหนก็มีการลุมถล่มบริษัทนั้นน น, นี่ยจะรับจ้างคนอย่างนี้ได้อย่างไรคนที่มีนิสัยเหยียดผิวแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะในสำหรับคนสำหรับซนหลังเนี่ยสำหรับคนไทยอาจจะนนไม่ค่อยรู้สึกแต่ข้อความอันนี้ก็ถือว่าเหยียดผิวเหยียดผิวเหยียดเหยียดทางเพศเนี่ยเดือดร้อนได้ง่าย สุดท้ายก็ตกงานตกงานแล้วก็ไปหางานทําที่ไหนก็ไม่ได้นีก็เรียกว่าหน้าตาของเธอภาพของเธอก็เผยแพร่ทั่วโลกเป็นเรื่องเฉาโชามากเพียงแค่ข้อความไม่กี่บรรทัดซึ่งเผอพูดไปด้วยความคนองและที่จริงเธอก็ไม่ได้คิดจะให้มันเผยแพร่ใครก็เผยแพร่ในหมู่เพื่อนๆ น, น, นะแต่ว่ามันมันมีการแชร์ต่อไปเรื่อยๆก็เลยเรีทวิตรีทวิตไปเรื่อยๆเนี่ยปกติว่า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 คนที่ผู้หญิงที่พูดแบบนี้มันต้องสั่งสอนสันหน่อยนะมีความคิดแบบเหยียดผิวต้องสั่งสอนแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยแนะม้จะทำในานามความถูกต้องนะแต่ว่ามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการทําให้เขามไม่ได้ผดไม่ได้เกิดเลยทั้งที่คนล้อมก็ผิดพลาดได้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการพูดจาแบบไม่ละมัดระวัง เดีย๋ยวนี้มันต้องต้องยังต้องต้องระมัดระวังมากนะมีผู้ชายคนนึงไปประชุมนะอันนี้ฝรั่งเหมือนกันไปประชุมในเอ่อคล้ายๆเป็นห้องประชุมมันนะแล้วเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนผู้ชายคนอยู่ข้า ง, างคล้ายๆเป็นผู้แซวผู้หญิงที่กําลังกําลังบรรยายอยู่ผู้แซวกันแบบให้เพื่อนฟังนะสองต่อสองนะบอกว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ยิน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 ตามหาผู้หญิงคนเนี้ว่าเป็นใครแล้วก็ชักชวนกันดา่าถล่มผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอาว่าตกง า, างนเหมือนกันนะเพราะว่าอบริษัทที่จ้างเธอทนไม่ไหวเพราะว่าคนมารุมกระหน่าเยอะเหลือเกินกดดันก็ดือร้อนกันไปทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เป็นแผลนะอันเนี้ทั้งทั้งหมดนี้ก็ทําในนามความถูกต้องนะ แต่ว่าพอทำไปนําไปเนี่ยมายึดมั่นถือมั่นมากมันกลายเป็นความไม่ถูกต้องขึ้นเรียกว่าถ้าจะมองก็คือว่าเป็นความถูกต้องที่ปราศจากเมตตานะการมีสํำนึกความถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้ามันขาดเมตตามันก็อันตรายหรือว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นมากไปมันก็นําไปสู่ความไร้ายเมตตานะต่อคนที่ทําผิดทําพลาด ย้อนกลับไปเรื่องที่พูดถึงการอบรมนะที่วิทยากรคนนั้นเนี่ยนะแกล้งทําในสิ่งที่มันยัอวยุกระทบกระเทือนจิตใจของอสมาชิกสถานปฏิบัติธรรมแห่งนั้นเนี่ยที่จริงถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เตือนเลยไปจากความเป็นจริงนะหมายความว่าในความเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีคนที่ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่ก็จ่วงจับนะจ่วงจับพุทธศาสนาจ่วงจับพุทธรูปนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ต้องมีองค์กรนะในเมืองไทยโนอิงบุตดาเนี่ยเพื่อที่รณรงค์เพื่อให้ไม่ให้มีการจ่วงจับนะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนผู้ที่ไม่ค่อยมีความอ่อนไหวต่อศาสนานะเราจะเจอเยอะไปจ่วงจับศาสนาโน่บ้างศาสนานี้บ้าง ที่เป็นเรื่องเป็นรล่าใหญ่โตก็เมื่อต้นปีนะไปช่วงจบาบศาสนาศาสดาของศาสนา i s าามแลวที่จ่วงจบาบศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็คงมีอีกเยอะนะพวกนี้เรียกว่าไม่มีความละเอียดอ่อนนะทางศาสนาทางวัฒนธรรมนั้นชาวผู้เราต้องเจอเรื่องแบบนี้นะต่อไปเจอมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงสิ่งที่วิทยากรคนนั้นทำเนี่ยก็เพื่อฝึกให้เราฝึกให สมาชิกศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีการมีความรู้เท่าทันแล้วก็สามารถจะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเมื่อมีคนแสดงความไม่เคารพมีการจ่วงจามเนีเราจะใช้สันติวิธีอย่างไรในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้นีอันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องรู้ต้องต้องมีทักษะแล้วนะเพราะว่ามันคือยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องเจอปัญหาแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ